คิดว่าเรามก า, รร ก, กายมีใจแลร่างกายเราจับได้จับได้ธาตุธาตไฟไฟธาติธาตุลมเราจับแต่ทีนี้ให้ใจเนี่ยมันมีจิตวิญญาณมีความคิดในใจ่มจิตมีวิญญาณมีความคิดราทีนี้เคยได้อนอยู่ที่ระลองให้ไหมขนาด นั่งเหนื่อลองไงเคยมไม่เคยอ่ะนั่งน่งอยู่น่งขำทีกรเดียวหัวล็าพลากเลยนหมเคยไม่เคยเคยมเคยนเคยขำไงน้องตาดีดีเลยกรเป็นเลยขี่ไปขำทีกรเดียวขาพาสติกข เมื่อกี้ท่านก็อย่างนี้นะไปรถน้าอยู่เมื่อกียวันเพิ น, นให้เราก็เประตูไปด้านหลังหว่าจะไปช่วยก็ mm hmm. เรียกว่าวเราเจตนาดีเด้อเลยว่าไถึงรถนะจิตถ้าเจตนาที่รู้ตา เนี่ยชื่อหลวงตาบอบอะน๊าอย่างนี้เลยใส่หยดส่ยางจริงแสดงว่าใจลอยนเจลเคยไหมเคยใจลอยไหมเนี่ยเบื่อใจลอยนั่งโอมยิ้มอยู่คนเดียวลุกที่เรื่องไหนั่นความคิดเนี่ยลาลิ้นี่ตัวนี้ จะพากลัาสู่ความเป็นปกติตัวรู้สึกเนี่ยแหละปรอยู่ความคิดมันจะลอยแล้วแต่ตัวเองดึงกลับมาต้องฝึกมันพจิตมันไปไวมาไวก็ไปกับเจียวไปรอบโลกเลยนะที่พวกเราช่วงีที่วันทอล์บกีเนี่ยไปอยู่เกาหลนี้นะ ไอเทวอนไอเทวอนายร้สบไม่น้อยกว่านต่เราคิดไปกันนะอินเทวอนใช่ไหมเอ่อโน้พูดกับแม่ว่าไงโู้กัรพูดกับแม่เร่องอะไร พูดเรื่องอะไรพูดอะไรคือเราไม่รู้ข่าวเลยเรไม่รู้ขวเนี่ยให้รู้สิและให้เรื่องที่เราบอกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้นกันแล้วก็เราขอให้เราใบใบรุ่นก็ <c oughs> กำลังใกล้ๆกันไปหาปุ่มดาราลุ่มที่มันเป็นแสงสีสีส มันยเดืดอายุยืเยือรวยแล้วมันปกให้ตตัวดีวัยรุ่นดีอยู่เ้วยอยดาราว่าอะไรวะดาราตายก็มันเียคนไทยตายก็มันเรอนี่คือความคิดไงแค่หารูกหารถหากิ่นหาสิ่งนต่มีบางคนเขาไปอยู่เงียบๆคนเดียวเขาไม่ไปหาคนหมุนแล้เรียกมันอันตรายไหาคนเียวเยอับ เขอยู่คนเดียวแค่น <sorta> ี้ก <Yes. S 2> ็าอยู่เองมีความสุขก็ดูใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาหลีมีใบไม้เปลี่ยนสีเป็นนั่นอยู่คนเดียวปรากฏแค่ตายมันจะมีมุมที่มันอยู่แล้วมีความสุขของตัวเองอยู่คนบางคนที่มีความสึ้งควอยู่ป็นแบบนั้นแ่ะถ้าอยู่กับโลกทำหน้าที่อยู่กับคนเราให้คนก็ไม่จำเป็นมีบหน้าอะไรอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ดีไหมไม่ดีกัน ไม่ใช่คำโฆษณาแต่บอกให้รู้ว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยในโลกนียเนาะหัวใจเราจะได้อยู่กับตัวเองเราจะได้มีกำลังใจเวลอยู่กับตัวเองมพื่อกำลังใจตรู้สึกตัวมีสติ ตัดเ่นน้อยเ น, ะนี่ยานเวลาอีกแค่ครึ่งชั่วโมงเนะี่ยครึ่งชั่วโมงในแบบเป็นพี่พนาทีแล้วก็ตัดเบนตาจบทิ่กรรมวกันประเด็นเฉอาะไยรู้ด้วยนะไยรู้รวมตัวกันแล้วก็ปิดฉากตอนนี้เนะนะี่อะไรอยู่เพื่อทำงานที่นีกัน่